พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าบอกแนวข้อสอบวันนี้เป็นวันที่25้า เมษายนพุทธศักราช 2,559 วันนี้จวนเต็มทนที่พวกเราจะได้ร่วมกันดูแลจัดงานขออันดับแรกหลวงพ่อเองก็ขอย้ำพี่น้องลูกหลานที่เกี่ยวกับโรงทานผู้ที่จะมาตั้งโรงทานมาทำโรงทานมาก่อนหลวงพ่อว่า หลวงพ่อขอขอบคุณอนุโมทนาจากลูกหลานผู้มีใจเป็นกุศลที่มาตั้งโรงทานก่อนเพื่อเลี้ยงลูกหลานอันดับแรกก็คือมาเลี้ยงลูกหลานวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ก็เพื่อให้ลูกหลานทั้งหลายมาช่วยการช่วยงานเก็บขยงขยะทําความสะอาดล้วนแล้วจะมีปากทองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มาช่วย เลี้ยงลูกหลานแขกคนที่มางานของหลวงพ่อนะหลวงพ่อขอขอบคุณอนุโมทนาจากลูกหลานที่จ <c oughs> ิตใจเป็นกุศลแลก็พร้อมกันก็ให้ดูดูไปเรื่อยๆนะวันที่ย6สิบตอนเย็นก็จะมีญาติธรรมของพวกเรามาจากจาตุรเทศ แต่ครูบาจารย์ไม่เป็นไรเราะท่านฉันมือเดียวแต่มีแต่ครูบาทั้งหลายให้ช่วยช่วยกันเรื่องน้ำปานะเรื่องที่พักพาอาศัยใครูบาทั้งหลายนะแบ่งก็คงจะแบ่งสรรปันส่วนกัน ล, ละล่ะใครจะดูแลพระเถระอนุเถระด้วยพระทั่วไปยังไงเพราะว่าในวัดของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว สำหรับพระสงฆ์เองหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้นิมนต์สุดแท้แต่องค์ไหนจะเข้ามาแต่ติยังไงเข้ามาสู่วัดก็ถือว่าท่านเป็นแขกเราเป็นเจ้าของถิ่นเราก็ต้องจัดที่พักพาอาศัยให้ถวายท่านถ้าเป็นพระที่มีเจตนาดีนะเว้นเสียแตดูดูเราเป็นพระโคโลโกโซโ่พวกท่านทั้งหลายก็ช่วยกันคิดอีกเหมือนกันนะั่นแหะมันมีนะพระโคโลโกโซ่ะ ที่เข้ามาสู่วัดไม่มีกิริยามารยาทที่ดีไม่มีสมณะสารูปอันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันไม่ใช่ว่าเห็นยูนิฟอร์มเป็นพระเราก็จะตีเสมอกันทั้งหมดไม่ได้นะหลวงพ่อไม่ให้ตีเสมอนะอต้องดูซะก่อนต้องเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลศีลเป็นเครื่องประกันของพระเนร เขาบอกเป็นพระที่ไม่อยู่ในสมณะสารูปเป็นผู้ไม่มีสินโคโลโกโซโเข้ามาแนละให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันพิจารณานะพวกท่านทั้งหลายก็รู้บวชมานานแล้วอ่านคงจะอ่านออกพระต้องอ่านออกเรื่องของพระนะโยมก็ต้องอ่านออกเรื่องของโยมใครอยู่ในสถานะไหนอ่านออกเรื่องของกลุ่มนั้นๆน แไม่มีใครที่จะรู้พระยิ่งกว่าพระนะอถ้าพระไม่รู้เรื่องของพระเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกพระทั้งหลายช่วยชวยกันดูนะอ่ช่วยกันดูครูบาอาจารย์พักพาอาศัยที่ไหนอศรัทธาญาติโยมก็ให้ดูช่วยช่วยกันดู <c oughs> เรื่องอาหารการบริโภคอพักพาอาศัยที่ไหน มาทางไกลแล้วก็ถามไทยมาจากไหนเคยมาไหมถ้าไม่เคยมาเราก็ต้องใส่ใจสักหน่อยเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยมาแต่จิตใจเป็นกุศลดลดั่นมาหาพวกเราถือว่าเป็นญาติใหม่กลุ่มใหม่เข้ามาถ้าว่าเป็นกลุ่มเก่าแล้วก็ อ, อรู้จักทางหนีทีไ่ทางไปทางมาทางอยู่ทางกินที่พักผาอาศัยให้ช่วยตนเองเด้อ มาสู่วัดของหลวงพ่อเพราะพวกเราเป็นแขกด้วยกันจะให้ใครตอนรับใครนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากผู้ที่อยู่ก็ไม่กี่คนที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ที่นี่ประจําแต่โดยมากมันมีแต่พวกเราเป็นแขกมาด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ก็ทึ่งพึ่งพาอาศัยกันแขกเก่าที่มาลูกหลานที่มาเก่ารู้จักทางหนีทีไร ก็ต้องดูแลแขกที่มาใหม่ที่พักพาอาศัยอย่างไรอยู่กินอย่างไรความปลอดภัยดูความปลอดภัยของญาติโกโหติกาของพวกเราอย่าได้มีความเสียใจกลับไปพอกลับมามาทำบุญแทๆ้ๆได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่พึงปรารถนากลับไป ในจิตในใจก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะให้ช่วยๆกันดูนะอันให้หลวงพ่อมีแต่บอกกล่าวย้ำเตือนเท่านั้นแหละให้ลูกหลานทั้งหลายมีน้ําใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทำดีพูดง่ายๆนะแต่หลวงพ่อเนี่ยสุดท้ายนั่นแหะหลวงพ่อเองจะเป็นผู้ประเมิ น, นเออปีนี้ลูกหลานทุกคนพวกเราสอบตกหรือสอบได้ฮ หลวงพ่อจะประเมินวัวนที่28นะหลวงพ่อจะจะประเมินว่าผู้ที่ทํางานในวัดของเราลูกหลานทํางานเป็นไงสอบตกหรือสอบได้หลวงพ่อเป็นผู้ให้คะแนนนู่นล่ะวันสุดท้ายนั่นแต่เดี๋ยี้หลวงพ่อก็ามีแต่แนะนําบอกกล่าวควรจะสอบยังไงควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่เข้าห้องสอบ เพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะเข้มแข็งสรุปแล้วทั้งฝ่ายพระก็ย้ำเตือนกันดลกักกาล้วนแล้วจะเป็นผู้รู้จักมักคุ้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเกือบทั้งนั้น เ, เคยทํางานร่วมการร่วม ง, งานกันมาเพราะฉะนั้นหกิริยามารยาตใดก็ตามที่เป็นสมณะสารูปกอขอให้พระเนนลูกหลานน้องนุง่นงทั้งหลายให้ช่วยช่วยกันบอกกล่าวกันเพราะว่าพุทธศาสนา ทุกวันนี้มันไม่รู้ว่ากลุ่มไหนตกลุ่มไหนเขาจะดูลุมหรือว่าประนามหรือว่าคล้ายๆว่าจ้องทำร้ายทำลายถ้าพูดอย่างนั้นก็นไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันพุทธศาสนาหมดจากประเทศอินเดียเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเรานี่แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่า ไม่มีใครจะทำร้ายทาลายพุทธศาสนาแหมยิ่งกว่าพระหรือว่าพุทธบริษัทสีพุทธบริษัทสี่นี่แลจะเป็นผู้ทำลายทำร้ายพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับ เ, เพราะนั้นพวกเราอยู่ในพุทธศาสตร์พุทธบริษัทสฝ่ายพระสงฆ์ก็ให้ตรวจรากันฝ่ายสยัมเารให้ตรวจรากันฝ่ายอุบาสกก็ตรวจรากันฝ่ายอุบาสิกา ฝ่ายผู้หญิงก็ให้ตรวจรากันตรวจราอะไร ต, ตรวจราสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีพวกเราก็ควรจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้นให้มันดีขึ้นทํามันดีขึ้นแล้วนะ่ะพุทธศาสนาก็จเจริญเจริญกับพวกเรานนัจเจริญในพุทธบริษัทสรุปแล้วก็คือจเจริญอยู่ในจิตใจของพวกเราใจของเราเป็น ผู้มีเหตุมีผลจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่แหละลูกหลานแต่เกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสน า, าพวกเราก็นัณว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากออโชคดีอย่างมาก เ, าเกิดมาพบใดเชิดใดพวกเราในใจพวกเราเอาทุกวันนี้พวกเราได้คิดไว้อยู่ในใจไว้อยู่เสมอไม่ใช่เหรอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ขอให้ผู้ข้าจะได้อดอยาก ได้พ่อแม่ที่ดีผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดีแล้วก็ให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้ได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปภายภาคหน้าจนกว่าข้าพรเจ้าจะพ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้แต่ถ้ว่ากข้าพรเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดี อย่าให้อดอยากแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อเปให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าได้อย่าได้หลงโลกหลงทางให้ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราไม่ใช่ปรารถนาอย่างนั้นเหรอในจิตใจเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาขนาดนี้แล้วนะ สิ่งที่ใดสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ดีนะอย่าไปคิดทำพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นให้ประกอบคุณงามความดีนี่แหละพวกเราที่มาร่วมงานหรือว่าจัดงานวันเกิดของหลวงพ่อหลายวันพุท่มาหลายวันแล้วก็มีแล้วกับพุท่มาใหม่ก็มีที่จะมาจัดงานวันที่26หวันนี้ยี่้านะลูกหลานนะยีะเตียงพร้อม ความเตรียมพร้อมของยิบหางของงานเรื่องน้ําเรื่องไฟ เ, เรื่องที่พักพา้าอาศัยอาหารการบริโภคห้องน้ำห้องท่าอะไรทุกอย่างให้มาเตรียมพร้อมละวันแล้วนะลก็วันพรุ่งนี้ก็เลยดำเนินงานาแขกคนก็นจะเข้ามาตอนเย็นก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์พระปริตะมงคลผู้ใดจะรัก สาธิณบวชชีพรามก็บวดบวบได้บวดในใจถ้าว่าจะมีคนมากอาจจะมีครูบายจานให้ศีลก็ได้มามาทานเอื้อผู้ผู้ฆ่าขอศีลวันเกิดของหลวงพอ่อขอนักษาศีนุโบโสดซีพรามก็ได้ตอนเย็นวันที่26นะแล้วก็วันที่27 ตอนเช้ากับไ่บาทรวมกันส่บาศพระสงฆ์แต่วันนี้ เ, เนี่ยพระสงฆ์เริ่มเข้ามาแล้ว60 60รูปแล้วหกรูปแล้วนะก็มากพอสมควรแต่กะลงพ่อกะกะเอาไว้กับพระที่มาในงานนี่ก็ประมาณสัก100กว่าหรือ200ที่ททประมาณประมาณเอาไว้นะแต่ก็ นนะวันะวันที่28วันทนะี่จึงจะชัดเจนมีมากปีน้อยขนาดไหนเรือหลงพอ่อจะประกาศให้ทราบอีกที่นึงนะอันนี้คือพระสงฆ์แต่กะนะัทธายาติโยมามาทางใกล้ทางไกลทุกปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าล้นหลามแต่ปีนี้ก็ไม่ตรงกับเสาอาทิตนะไม่ตรงกับเสาอาทิตก็คงจะไม่มากเหมือนทุกปีกันมั้ง แต่ถึงยังไงก็มากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ได้ว่าเพราะหลวงพ่อเองประกาศแล้วประกาศอีกว่าไม่ได้จัดงา น, นลูกหลา น, นแต่ลูกหลานเข้ามาแสดงมุทิตาสักระน้ําจิตน้ําใจมาวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออเอาตอนรับขับสู้อย่างเต็มที่ตอนรับลูกหลานนี่ที่มาร่วมงานมาในงานของหลวงพออ่อตลอดถึง ผู้ที่จะจัดงานก็ทุกปีที่ผ่านมาจะมีของสํำลวยแจกให้พี่น้องชาวบ้านอันนั้นก็ให้ช่วยๆกันช่วยๆกันดูนะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าที่หลวงพ่อมากับคณะสงฆ์ไปบิณฑบาตกับพี่น้องชาวบ้านสามสี่ห้าหกหมู่บ้านบิณฑบาตฉันทุกวันตั้งแต่มาสร้างวัดเพราะนั้นลูกหลาน ผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้มาตักบาตรทุกวันก็มารวมรวมกันซื้อข้าวข้าวสารอาหารแห้งมาฝากไว้กับพี่น้องลูกหลานในท้องถิน่นพี่น้องลูกหลานในท้องถิน่นเขาก็ใส่บาตรถวายพระสงฆ์อาหารถวายพระสงฆ์การล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแ่ะพวกเรานานทีปีหนได้มา ซื้อของมาฝากให้พี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านเขาก็ทำบุญทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากทางไกลแต่ถ้าว่าต่างคนต่างมีความเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีต่อกันมีน้าใจต่อกันมีเมตตาต่อกันแบ่งบักแมงหนักแบ่งเบาซึ่งกันและกันหลวงพ่อโรคใบนี้ก็น่าอยู่นะถ้าว่าโรก ใบนี้คับแคบมีแต่จิตใจเห็นแก่ตัวไม่มองเห็นแก่ใครไม่มองไม่มองใครมองใครไม่เห็นแต่ตัวเองได้เปรียบเพราก็นั้นนะกระยมขั้นไปเรื่อยๆโลกใบนี้ก็หน้าไม่น่าอยู่มันกัรนะันลูกหลานนะเพราะนั้นโลกที่จะน่าอยู่ก็คือฐานะคือการเสียสละเสียสละคือการแบ่งปันผู้ที่ด้อยกว่าเท่าเหนือกว่า เราก็ให้ผู้ด้อยกว่าที่ผู้ด้อยกว่าต้รู้จักว่าตัวเองด้อยกว่าก็แสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ที่เหนือกว่านะี่ยแหละมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันโลกทั้งโลกกจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกทั้งโลกไม่มีน้ำใจต่อกันเดือดร้อนวุ่นวายนะลูกหลานนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนเทนนะ